หลวงพ่อเออเอาเราหนึ่งแสนเท่าแก่กกคงเอ้าผมหนึ่งแสนโรงแรมสิดิแกลนคุณซิดิธรรมเอ้าผมหนึ่ง0สนเท่าแก่สมัยหนึ่ง 0,000 แล้วก็ท่านจะคุณวัดเทพศิลินท่านมาภาวนากับลูกศิษย์ของท่านอยู่ที่นี่เออท่านั้นผมขอถอยมูนิธิอีก1 0,000 แนท่านอาจารย์เอออะไรครบครบห 0,000 นพอดี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 หอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตศีนครินจังหวัดขอนแก่นดูแลสงอาพาธอันนั้นก็ประสบความสําเร็จนะประสบความสําเร็จยังไงเมื่อสร้างที่แรกก็หมดไปประมาณกับเกือบ15ล้านนะแล้วก็มีเตียงมีอะไรมีเครื่องอุปกรณ์มากจากนั้นก็จากนั้นมาถึงที่นี่หปีแล้วนะตอนนั้น6ปีแล้วแต่โมนิทิชของโรงตานี่เพิ่งตั้งปีนี้ แต่ตอนนั้นได้หกปีแต่รู้สึกว่าครูบาอาจารย์พระเถระเขาไปเจ็บไข้ได้ป่วยพระโรงพยาบาลได้ดูแลจุดนั้นดูสึกว่ามเมื่อทำจุดนั้นขึ้นมาแปลว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังเรือแต่ไม่ไม่อยากจะให้ครูบาอาจารย์ป่วยพระเ น, นเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกแต่ว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่ไปไม่รู้จะไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลศรีนคริน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 ถ้าวันนายตาเหลือหนวดแดงเกิดมาพบนายชาณาชัยถูกเขาฆ่าแน่ๆแล้วเพราะว่าจะฆ่าเขาไว้ตั้งเยอะแยะใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดไม่ถึงเจ็ดชาติเนี่ยพระสุวราราชเกิดไปถึงเจ็ดชาติก็ได้สําเร็จเป็นพระหันในเมื่อเป็นสําเร็จแล้วก็กหมดระบาดเนี่ยไปว่า ก, กรรมเป็นโอโหสีกรรมกรรมให้ผลสําเร็จแล้วเ อ, อท่านข้ามฝากไปสมมุติว่าเ อ, อ หมาอยู่ที่เมืองไทยนี่ยไล่ไปที่ไล่กัดดวงวิญญาณของตาเลือหนวดแดงอยู่ตลอดใช่ไหมพอท่านได้สาเร็จพระโสดาบันเนี่พอท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแต่พระโสดาบั น, น ย, ยังอยู่อยู่เล ย, ยังอยู่ในโลกอยู่จะต้องเกิดอีกหนึ่งชาติสมชาติเจชาติพระโสดาบันเกิดไม่เกินเจชาติพระโสดาบันมีสามเกรดเกรด A เกรดบเกรดซ